สมัครเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน3มคนใช้ไอเดียออกแบบให้เต็มที่ส่งผลงานเป็นแบบร่างขนาด A3 ถ่ายภาพผลงานพร้อมส่งใบสมัครได้ที่ f a c e b o o k c o m digitalprinting r m u t t ตั้งแต่บัดนี้ถึง2กรกฎาคม2562สอบถามเพิ่มเติม02 549 4531และที่087 518 1624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 โดยอาจารย์พนธรรมเนียมอินสร้างสรรค์และผลิต ร, รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณผู้ฟังที่เคารพพบกับชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธ์ทำเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเช้ามืดวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนคะหลายท่านบอกว่ากําลังตื่นนอนจะออกเดินทางไปโน่นนี่นั่นเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะ29มิถุนายนแล้วเร็วมากๆเลยนะคะสําหรับ วันเวลาถ้าใครที่มีความสุขสบายใจดีนะคะทุกอย่างทุกอย่างมันก็จะเพลิดเพลินจำเริใจไปหมดแต่เข้าใจได้ว่าบางคนที่อาจจะมีอะไรสักนิดสักหน่อยกังวลใจวันเวลามันจะผ่านไปช้ามหมดเวลาแต่ละวันละวันละวันนี่เมื่อไหร่จะหมดสักที นั่นก็คือสิ่งที่เราพิจารณาได้ง่ายๆมากว่าช่วงเวลาของความสุขมันมักจะผ่านไปเร็วนะคะช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักอึ้งคุณผู้ฟังผ่อนคลายนะคะเรามีปัญหาทุกปัญหาต้องมีทางออกค่ะแต่กว่าจะมีทางออกสําหรับบางคน มันอาจต้องใช้เวลาต้องใช้พลังต่างๆมากมายเตยนพนธธรรมเนียมอินชีวิตวัฒนธรรมเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านนะคะเช้ามืดอย่างนี้ตีสถึงตีหเวลาใหม่ที่เรามาเจอกันนะคะคุณผังคุ้นเคยหรื อ, อยังคะเสียงนี้มาปลุก หรือเสียงนี้มาเป็นเพื่อนคุณฟังคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนเพื่อนโชเฟอร์แท็กซี่เพื่อนๆนที่ขับรถประจาทางต่างๆนะคะก็อาจจะใช้วิทยุของเราเป็นเพื่อนเดินทางดิฉันเองบางทีนั่งรถโดยสารประจาทางก็ยังดีใจว่าอุ๊ยเราได้ฟังเพื่อนๆทางสถานีของเราจัดรายการบางช่วงมีคนขอเพลงบางช่วงมีคนโทรเข้ามาปรึกษาน่นนี่นั่น เป็นความรู้สึกที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีโลกของการสื่อสารมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะคิดถึงวิทยุก็มีแต่ AM FM อสองอย่างแต่ตอนนี้เราสามารถฟังผ่านอินเทอร์เน็ตได้ฟังผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็น Facebook Live มองเห็นหน้ากันก็ได้ด้วยนะคะแต่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตตรวมทั้งตัวดิฉันด้วยเอ๊ะวิทยุนี่มันเป็นสื่อเพื่อฟังเสียงนะพอเห็นรูปด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดีเนาะจุดจุดจุดจุดเรนมีประสบการณ์ค่ะคุณฟังที่โครพฟังเสียงจ้อยจ้อยจ้อยอ ย, อย่างงี้บางคนก็ฟังไปพอวันหนึ่งมีโอกาสเจอเจอการอ๋อ oh. จุดจุดจุดคุณวางแผนเองนะคะ คำทักทายที่มีมิตรไมตรีทำให้เราอบอุ่นค่ะแต่บางทีเรานั่นแหละที่สังวนตัวเองว่าไปทำให้คุณผู้ฟังช็อกหรือเปล่าภาพที่คุณฟังเคยฟังเสียงแล้วพอมาเจอตัวจะรู้สึกยังไงเนอะดิฉันกลิ่งเกรงเหมือนกันเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานีก็บอกว่าเมื่อไหร่จะมาเจอเจอคุณผู้ฟังผ่านฟลฟ์ดิฉันก็บอกว่าเตรียมตัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเห็นหน้าแล้ว จะฟังต่อสักกี่คนนาะแต่ก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะชีวิตวัฒ น, นธรรมเปลี่ยนวันเวลามาหลายครั้งแต่ดิทันก็ยังขอพระคุณทางสถานีวิทยุรญญาชบุรีนะคะเอฟเอ็ม 89.5 แห่งนี้ที่ให้โอกาสมาพบกับปแฟนรายการนะคะหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ใกล้รุ่งนะคะเดินทางปลอดภยัยสุขใจกับเช้าวันใหม่ด้วยกันนะคะ วันนี้คุณบิ๊กควบคุมเสียงแล้วก็หาเพลงเพาะเพาะให้เราได้รับฟังกันสองสัปดาห์ที่แล้วเจอคุณะเนศสัปดาห์นี้เจอคุณบิ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะดังนั้นฟังเพลงแรกจากคุณบิ๊กค่ะเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมาคุยกันต่อเยอะเลยนะคะ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 เชิญที่วิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงบ่สามโมงจันทร์ถึงศุกร์โทร0 2 5 4 9 3 0 4หหรือที่เวอร์ไวท์เว็บดคุณผู้ที่เคารพค่าขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพรรณธรรมเนียมอินดำเนินรายการค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณ สำหรับคนที่เดินทางอยู่เป็นเพื่อนคุณสำหรับคนที่ตื่นมาหุงหาอาหารหลายคนประคุณพนอตืนตื่นตื่นตื่นตื่นตีนตน 4, ใครก็จะลุกขึ้นมาหุงข้าวมีแน่นอนโดยเพราะคนที่ทํากับข้าวขายไงคะสั่งเราอยู่นะคะก็มีอะไรมาพรเพลิดเพลินจําเรินใจด้วยกันบางช่วงบางตอนดิฉันก็จะมีแต่การอาหารมาฝากบางทีก็จะมีอาหารพื้นบ้านอ่ะพูดคํานี้ต้องวิเคราะห์กันนิดนึง มีคนแซวกันพอบอกว่าไปกินอาหารพื้นบ้านกันไหมก็จะมีคนแซวบอกมันสะอาดพอหรือเปล่าคุณผังที่โนโรบไม่ได้ดูมินทินแครนเขาแซวกันที่คําว่าพื้นบ้านค่ะภาษาไทยมันดิ้นได้จริงๆพื้นบ้านในความหมายก็คืออาหารประจําถิน่นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้แต่พื้นบ้านที่เขาแซวเนี่ยหมายถึงพื้นบ้านที่เรานั่ง นอนกันนั่นเองดังนั้นอันนี้ค่ะเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยนะคะที่ทําให้เรามีมุกนั้นมุกนี้มาเล่นกันได้ก็ต้องฝากเด็กๆและเยาวชนล่ะค่ะลุกว่าตั้งอกตั้งใจเก็บสิ่งที่เป็นสมบัติชาตินี้ไว้ด้วยนะคะเพราะถึงแม้พวกหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นสปันไดก็ตามแต่เราเป็นคนไทยลูกเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานภาษาไทยมันจะช่วยให้เราเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆได้เก่ง ได้ชํานาญได้มีแท็กษะเพราะฉะนั้นราครุ่มทางวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะอย่าได้หน้าและลืมหลังค่ะเมื่อวันที่ยี่สบหกมิถุนายนที่ผ่านมาวันพุธนะคะมีวันสำคัญถึงสองวันทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าวันหนึ่งที่ทุกคนประจักษ์แก่ใจคือวันสุนทรภู่กวีเอกของโลกแต่อีกวันหนึง่ง ป้ายประกาศเชิญชวนตัวโตๆโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนก็จะออกทำกิจกรรมพากันเดินพากันแต่งแฟนซีพาการโฆษณาหาเสียงเพื่อลุนรงป้องกันยาเสพติดอะไรต่างๆกันใช่ไหมคะตอนเนื่องจากวันงสุบริโลส31สิบเอ็ดพฤษภาพอมายี่สิหกมิถุนาก็เป็นเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะคะ ช่วงนี้เราจะเจ อ, เจอพิษภัยของอยาสิบติด ท, ที่เป็นกระบวนการค้าใหญ่ๆที่ตกอกตกใจกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเยนก็มีคำที่เคยได้รับจากสำนัก ง, งานปปสนะคะว่า การร้อมรักให้ครอบครัวเหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดเป็นคําขวัญที่เขาใช้แล้วเขาก็เคยมีชุดสา ร, รคดีน่ารักน่ารักหมู่บ้านนี้ไม่มียาเสพติดเผยแพร่ทํากิจกรรมต่อเนื่องนะคะดังนั้นเราไปเป็นส่วนหนึ่งของสํานัก ง, งานปปสกันออไม่ได้ไปเป็นข้าราชการนะคะแต่ว่าเราป้องกันลูกหลานเราด้วยความรักความอบอุ่นในครอบครัวเรียนเชื่อมั่นค่ะว่าความรัก มันทำให้ปัญหาหลายๆอย่างคลี่คลายได้หลายคนมาคุณมานอความรักนั่นแหละทำให้เกิดปัญหาเอาชายัยถ้าเราใช้ความรักในทางที่ไม่ถูกไม่ควรมันเกิดปัญหาแน่นอนเหมือนรัก ห, าหลายๆเศร้าสองเศร้าสามเศร้าสี่เศร้า เ, ร เ, รเนาะที่เราดูกันในละครแล้วก็มาย้อนดูตัวโอ้ยดูแล้วก็ คุณแค้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพระเอกเหรือนางเอกก็ตามนะคะที่มีมือที่สามสี่ห้าเข้ามาวอแวทร์ทให้ความรักนั้นเป็นรอยร้าวแต่ถ้าเราใช้ความรักในทางที่ถูกเรนเคยเห็นตัวอย่างของคนที่เลิกยาเสพติดง่ายสุดเลิกสุบบุรีมาแล้วหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ความรักจากพลังนี้แหละค่ะดูแลคนในครอบครัวโดยเฉพาะ ครอบครัวไหนที่มีเด็กมีวัยรุ่นเขายังคิดเองไม่ได้รอบด้านดังนั้นเขายังหาตัวเองไม่เจอยังพึ่งผาเพื่อนยังแคร์สังคมยังมองสายตาคนนคนนี้คนนั้นและด้วยวัยคนที่เป็นวัยรุ่นจนถึงหนุ่มสาวถึงด้ฉัานจะ อ, อ, อายุมากกว่ากลุ่มนี้เยอะแล้วก็ตามเราก็ ย, ยังคงต้องการการเป็นที่ยอมรับในสังคมจริงไหมคะ บางคนก็จะหาจุดเด่นให้ตัวเองบางคนสวยก็ใช้ความสวยบางคนเก่งก็ใช้ความเก่งบางคนมีฝีมือมีความสามารถก็ใช้ฝีมือและความสามารถนั้นทำให้ตนเองเป็นที่สนใจของผู้คนและผลดีที่ตามมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของเงินทองการประกอบอาชีพความมีชื่อเสียงนะคะ เป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เหมือนกันคือความดีแล้วก็การที่เราหลีกหนีความชั่วเพื่อนั้นเรื่องของยาสิบติดนะคะมันเป็นพิษภัยร้ายแรงมานานแสนนา น, น, านตอนก่อนเราเคยเห็นคนเดินเป็นผีกองกอยเดินมีแต่ส่โครงน่ากลัวน่ากลัวทุกวันนี้เราก็ยังเจอแต่ภาพของคนติดยาสิบติดมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน เมื่อก่อนเนี้ยสูบฝิ่นกินกัญชาเห็นกันช ắt, ัดๆแต่ตอนนี้เขากินยาโน่นนี่นั่นเป็นเม็ดเล็กๆบ้างเป็นไอน้นู่นไอ้นี่ไอ้ด้านบ้างแล้วมันก็มาในรูปแบบต่างๆซึ่งเราบางทีกว่าจะตามมันทันเราอาจจะเสียประโยชน์ในชีวิตไปหลายด้าน <c oughs> เช่นคนแข็งแรงของเรากลายเป็นเหยื่อของพวกเขาหรือเงินทองที่ถูกขโมยถูกอะไรต่างๆ ปัญหาเยอะแยะโลกแตกจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะพยายามปราบปรามกันสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนยิ่งเหนื่อยแข่งกับคนกลุ่มนี้ที่เขาแสวงหาผลประโยชน์ดังนั้นเราช่วยกันดูแลคนใกล้ตัวก่อนนะคะดิฉันคิดว่ามันจะเป็นปราการสำคัญที่จะช่วยให้คนเนี่ย ทะลุทะลวงเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของเราไปได้ยากขึ้นแม้วันนี้เันใช้ศัพทวิชาการนิดนึงก็เขามีกระทรวงทรัพยากรอะไรต่างๆของมนุษย์ดังนั้นเรนก็มองไปถึงอะไรๆที่เขามีคำว่ามนุษย์แล้วก็ให้ความสำคัญในด้านต่างๆของมนุษย์ ลุกขึ้นกันมาช่วยทํางานดังนั้นนะคะในวันต่อต้านยาสิติดที่ผ่านมาเราจึงเห็นเด็กๆนักเรียนออกมาทํากิจกรรมเราถึงเห็นสื่อมวลชนออกมาช่วยกันขยายความและเราก็เห็นการแสดงความรักความอบอุ่นในครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เป็นตัวอย่างอันดีทําให้ชีวิตไม่มีช่องว่างพ่อแม่ลูกพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เมื่อเขามีความสุขแล้วนอกบ้านก็เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เป็นสังคมที่พวกเขาเหล่านั้นจะไปเจอเจอแต่เวลาที่อบอุ่นถ้าทุกคนอยากกลับบ้านอยากกลับมากินข้าวบ้านและอยากมาทำกิจกรรมอยากเที่ยวกับคนที่บ้าน นั่นคือสวรรค์ที่เราทำได้บนดินนี้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพคะในช่วงของชีวิตวัฒนธรรมนะคะที่ดิฉันมาพบกับคุณผูฟังในช่วงเช้ามืดแบบนี้ตีสี่กว่าๆถึงตีห้าเสียงนกจิบจิบร้องเสียงไก่เอ๊ะเ อ, เอ๊ขันนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็เห็นฟ้าสางๆแต่หลายคนก็บอกคุณผู้ฟังคุณฟังหลายท่านคุณพนองกาลังเจอฝนค่ะถ้าเจอฝนก็ต้อง เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะตรวจรถให้มีคุณภาพพร้อมเดินทางด้วยแต่ว่าในช่วงวันนี้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงวันต่อต้อานยาเสพติดไปแล้วยี่สิบหกมิถุนายนเป็นวันสุนทรผู้เด็กๆท่องกันแม่นเลยโดยเฉพาะคนที่ไปได้รางวัลมาจากการประกวดต่างๆคุณยายคุณป้า ค, ค, คุณน้าคุณอาคนนี้ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเพรอะ ตัวเดวฉันเองก็รักภาษาไทยแล้วก็ถือตัวเองเสมอว่าเป็นสิทธิ์ของท่านบรมครูสุนทรภู้เพราะเราได้อ่านผลงานของท่านมากมายได้นำเกร็ดชีวิตได้นำข้อคิดต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวัน โอในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนต่างๆซีสันแพรวมีการแต่งตัวเป็นตัวละครมีการแสดงบนเวทีประกวดคัดลายมือประกวดอ่านทำนองสนองประกวดการเขียนการอ่านโอสารพัดบางโรงเรียนเขาก็บอกจัดควบกับวันภาษาไทยแห่งชาติไปเลยก็ภาษาไทยด้วยกันเนาะบางโรงเรียน ครูก็สามัคคีกันมากจัดบุรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้ต่างๆค่ะเอาภาษาอังกฤษมาเล่นเป็นละครอังกฤษนั่นสาระสังคมก็เอามาเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆภาษาอื่นๆเขาก็หลอมรวมกันได้ดนตรีไทยดนตรีสากลจัดกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งหมดนี่คือภาพของวัฒนธรรมที่เกิดการผสมผสานในโรงเรียนคุณผู้ฟังคะถ้าที่บ้านมีเด็ก ไปโรงเรียนไม่ว่าจะไวัยไหนก็ตามลองดูความสามารถของเขาด้วยนะคะว่าเออลูกหลานเราชอบอะไรถนัดอะไรเราพอจะสนับสนุนส่งเสริมเขาได้แค่ไหนต่อยอดความสามารถของเขาไปถึงโรงเรียนคุณครูก็จะช่วยกันประครับประคองแล้วก็ส่งลูกหลานของเราให้กล้าสแสดงออกแล้วก็มีโอกาสอันดีในสังคม พูดถึงเมื่อสักครู่เด็กๆ เ, เนี่ยได้มีกิจกรรมในโรงเรียนแล้วแต่เมื่อเขามีความสามารถอาจจะนัการประกวดนั่นนี่นู่นคุณครูก็จะส่งไประดับอำเภอระดับจังหวัดระดับเขตระดับภาค ร, ระดับประเทศเด็กๆ เ, เหล่านี้จะมีความภูมิใจในตนเองนะคะและเมื่อเขามีความภูมิใจในตัวเองสิ่งที่เขาจะไปคบเพื่อนไม่ดีไปติดยาเสพติดก็จะน้อยลง ใครจะมาเช็กชวนอย่างไรเวลาเขามาทุ่มเทกับสิ่งดีงามในชีวิตแล้วเขาก็จะเขวได้น้อยลงเห็นไหมคะประโยชน์มันมหาศาลเพียงแต่เราที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเหนื่อยมากก็อย่าบอกลูกว่าโอ๊ย oh, ฉันเหนื่อยแล้วอย่ามายุ่งกับฉันนะแต่เหนื่อยอย่างไรก็จงยิ้มให้ลูกใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัยนั่นแหละค่ะ นิดหน่อยก็ยังดีลูกกินข้าวหรือยังลูกอยู่ที่ไหนเออวันนี้แม่กลับคำเพราะต้องไปนูน่นไปนี่เป็นห่วงนะลูกจุ๊บๆุอะไรกวากันไปเนาะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะเมื่อวันพุทธที่26มิถุนายนที่ผ่านมาดิฉันโฆษณาเชิญชวนให้คุณฟังไปชมสักรวากรอสดที่สานักขัสมุนแห่งชาติจัดปีนี้เรื่องขัวบทท่านใดไปบ้างเอย แต่ที่ฉันไปนะคะเดีนไปตั้งแต่ยังไม่เปิดเวทีจนกระทั่งกิจกรรมลาโรงคือปิดการแสดงเลยนะคะก็เป็นการแสดงที่อลังการมากเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วนะคะว่าศักรวาก็เป็นการเล่นที่คนไทยนะคะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนเพราะฉะนั้นเขาก็จะแต่งบทศักรวากันแล้วก็ใช้ร้องเล่นกันบางทีก็ลอยเรือเล่น บางทีก็จัดกิจกรรมที่เข้าเหมาะเขาก็จะชวนกันผู้ชายกลุ่มหนึ่งผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนสามารถด้นกรอนสดได้แต่งกรอนสดได้ก็มีพ่อเพลงแม่เพลงหัวหน้าฝ่ายชายหัวหน้าฝ่ายหญิงมาชวนกันเล่นศักรวาวก็จะมีบทศักราวา จำได้นะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าศักกวาเลยค่ะซอเสือไม่เห็นอากาศกไก่วเวนสรอาแต่บางทีคุณฟังอาจจะบอกคุณพนอทําไมคุณพนอพูดว่าศักกะวาคำนี้เป็นคําไทยทีเออ่เราใช้กันมานานคําไทยหมายถึงชื่อบทกรนชนิดหนึ่งอนะคะแล้วลักษณะการออกเสียงบางทีหางเสียงบางทีการออกเสียงเนี่ยฐานเสียงต่างๆในอวัยวะในปากของเราอะคะ่ะมันติด รอเรเือมาด้วยเพราะฉะถ้าได้ยินใครพูดว่าสักกวาก็ถูกศักกะวาก็ใช้ได้นะคะก็ขึ้นต้นด้วยคําว่าศักกวาแล้วก็ว่าคํานั้นไปแล้วก็แต่งไปแปดวัคําสุดท้ายจะลงด้วยเอยนะคะนี่คือกรอนศักกวาค่ะวันที่ดิฉันไปนะคะก็เป็นการบอกสักกวากรอนสดเรื่องโผบุตรโดยนักกรอนที่นําโดยหม่อมราชวงศ์หญิง อรชัดสองทองแล้วก็ศิลปินแห่งชาตินะคะท่านก็มาร่วมงานแล้วก็เปิดบทสักวาบทแรกให้เราคือท่านศิลปินแห่งชาติประยอมสองทองมีอาจารย์นิพ่าบางยี่ขันแล้วก็มีคุณจักรินส้อยสูงเนินนะคะมีนักกรอน อีกสองสามท่านบนเวทีแล้วก็มีวงดนตรีไทยของกองการสังคีตกลุมศิลปกรมีนักแสดงจากกลุ่มศิลปกรแต่งตัวสวยสดงดงามมารับบทเป็นตัวละครในเรื่องโคบุตรนะคะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นนี้เขาเรียกคอสเพลไหมคะ ที่เข้าไปจัดการตามงานสัปดาห์นักห่งชาติทียนเห็นเขาแต่งตัวตามตัวละครแต่เนี่ยไม่ได้แต่งตัวมาเฉยๆนะคะร้องดำมทาเพลงแสดงประกอบนิทานเรื่องโคบุตรไปด้วยเรียนให้ความรู้เรื่องของโคบุตรสักนิดหนึ่งนะคะก็บนเวทีนะคะก็มีการกล่าวถึงเรื่องยอ่อเรียนก็ค้นจากอินเทอร์เน็ตว่าีิระยานมีคำอธิบายเรื่องโคบุตรไว้ว่า นิทานคำกลอนเรื่องโคบุตรนี้นะคะสันนิษฐานตามํำนวนการประพันธ์เห็นว่าน่าจะเป็นกวีนิพนธ์ที่สุนทรภู้แต่งขึ้นก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลงกราวพุทธศักราช 2,350 ค่ะซึ่งในครั้งนั้นท่านสุนทรภู้แต่งนิราชเมืองแกลงเป็นนิราชเรื่องแรกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงนิพน์อธิบายไว้ในหนังสือประวัติสุนทรภู ตอนที่กล่าวถึงเรื่องโคบุตรว่าลองพิเคราะห์ดูหนังสือกลอนของสุนทรภู่ที่ยังปรากฏอยู่บัดนี้เห็นมีคำเงื่อนในทางสำนวนว่าจะแต่งก่อนนิราชเมืองแกลงแต่เรื่องโคบุตรเรื่องเดียวมีคำขึ้นต้นว่าแต่ปางหลังคลังว่างพระศาสนาเป็นประถมสมมติกัรสืบมาด้วยปัญญายังประวิงทั้งหญิงชาย ฉันชื่อผู้รู้เรื่องประจักษ์แจ้งจึงแสดงคำคิดประดิษฐ์ถวายตามสตเิเริ่มเรื่องนิยายให้เพลิดเพลายพริงเพราะสนอกกรอนถ้าฟังดังนี้แล้วนะคะสำนวนดูเหมือนน่าจะแต่งถวายเจ้าวังหลังองค์ใดองค์หนึ่ง ก็เป็นหนังสือแปดเล่มสมุดไทยค่ะจะแต่งในคราวเดียวกันทั้งนั้นหรือว่าแต่งเป็นหลายครั้งหลายคราวอันนี้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดนะคะแต่ว่าแต่งค้างอยู่ค่ะไม่หมดเรื่องทําไมถึงสนิฐานกันอย่างนี้คือพออ่านไปจนครบแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนยังไม่จบบริบูรณ์เหมือนยังไม่อาวาสารนั่นเองนะคะก็เรื่องย่อนะคะเรื่องย่อของขัวบุตรเนี่ย ก็มีว่านางฟ้าองค์หนึ่งตั้งจิตปรารถนาจะมีพระสวามีและโอรสกับพระอาทิตย์ด้วยอำนาจแรงอธิษฐานนางจึงไปจุติในดอกบัวหลวงณนะเมืองมนุษย์เมื่อพระอาทิตย์ทรงทราบจึงมาสมสู่กับนางจนตั้งครรภ์ครั้นนางคลอดโอรส แล้วก็ดับชีพกลับไปจุติบนสวรรค์พระอาทิตย์จึงนำโอรสไปฝากให้ดื่มนมราชสีจนกระทั่งพระกุมารเจริญไวัยได้สิบขวบมีพละกกำลังเป็นอันมากพระอาทิตย์ประทานนามโอรสว่าพระโคบุตรสุริยาตามนามของพระชนกและนางราชสีที่เลี้ยงดูพร้อมทั้งให้เครื่องประดับกายที่เป็นทิพย์ประสตรา สำหรับป้องกันตัวแล้วก็ใช้หเหาะหืนได้นะคะแล้วก็บอกให้พระโคบุตรนั้นเดินทางไปยังถิ่นต่างๆและหาเนื้อคู่ซึ่งอยู่ทางทิศบุรพาของเมืองพาราณสีทิศบุรพาก็คือทิศตะวันออกนั่นเองนะคะพระโคบุตรจึงตัดสินใจลาราชสีออกเดินทางไปตามคําของพระบิดาก่อนออกเดินทางราชสีได้ให้ยาสําหรับ พ้นผู้ที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นของวิเศษอีกอย่างหนึ่งติดตัวโคบุตรไปค่ะพระโคบุตรเหาะมาเห็นยักษ์สี่ตนกำลังไล่จับสองกุมารในสระ ก, กลางป่าจึงเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ฆ่ายักษ์ตายแต่เมื่อไต่ถามก็ทราบว่าพระกุมาร น, นั้นคือนางมณีสาคอนและพระอรุณ พระธิดาและพระโอรสของท้าวพรหมทั์แห่งกรุงพาราณสีที่หนีออกจากเมืองมาเพราะว่าถูกราชปูโรหิตยึดชิงราชบัลลังก์พระโคบุตรจึงคิดจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็พ่นยาวิเศษให้ยักษ์ทั้งสี่ตนนั้นกลับมีชีวิตเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันแล้วจากนั้นพระโคบุตรพร้อมด้วยนางมณีสาครแล้วก็พระอรุณนะคะก็ ออกเดินทางต่อตามพระราชประสงค์นะคะแต่ก่อนจะออกเดินทางนั้นพระพรหมธาตุซึ่งพระโคบุตรได้ช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็มีพระราชประสงค์จะยกเมืองพระนาศีพร้อมทั้งพระธิดาและพระโอรสให้แก่พระโคบุตรทั้งสรงเห็นว่าพระโคบุตรกับพระธิดามณีสาครคู่ควรกันแต่ว่าขณะนั้นทั้งสององค์ยังอยู่ในวัยเด็กจึงได้แต่ชักชวนให้พระโคบุตร พำนักอยู่ที่เมืองพราราณสีสักระยะหนึ่งก่อนต่อมาพระโคบุตรต้องการเดินทางไปตามความพระราชประสงค์ของพระบิดาจึงขอลาเท้าพรหมทัตไปประพาสป่าเท้าพรหมทัตไม่อาจจะทัดทานได้ค่ะจึงให้พระอรุณติดตามไปด้วยแล้วทั้งสองพระองค์ก็เหเิรนเดินทางไปยังที่ต่างๆระจญภัยไปสู้รบกันไปค่าทั้งพวกวิทยาทรแล้วก็ชุบให้ฟื้นคืนชีพ แล้วก็รบกับมัดฉาซึ่งชื่อหัะสกันธมัดฉาฆ่าไม่ตายแต่ด้วยความที่ได้รับพรมาจากพระอิศวนนะคะพระโคบุตรต้องไปเชิญพยาวานนที่เขาเหมมารามาช่วยรบจึงสังหารได้สำเร็จนะคะแล้วก็ยังไปเจอนักยักษ์ค่ะเจอยักษคินีซึ่งแปลงเป็นนางงามมาล่อลวงให้เข้าเมืองเนรมิตรเพราะต้องการพระโคบุตรเป็น พระสวามีแล้วก็จะกินด้วยนั่นแหละนะคะพระโคบุตรรู้ความจริงว่าเป็นยักษ์แปลงมานะคะก็มิได้ค่าเพราะว่าเห็นเป็นสตรีแต่ว่าสั่งสอนให้หนางยักษ์รู้ว่าอย่าไปฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเพื่อจะได้ไม่เป็นบาปติดตัวไปชาติหน้าจากนั้นพระโคบุตรและพระอรุณก็เดินทางต่อไปตามทิศที่พระอาทิตย์บอกระหว่างทางนะคะก็ได้พบกับนกศาริกาพูดได้แล้วก็จ้อยจ้อ ย, จ, อยจ้อยนะคะ ก็พากันเหาะมาถึงเมืองกาหลงของท้าววิหฤาราชซึ่งมีพระธิดาชมงามนามว่านางอัมพันมาลาค่ะพระโคบุตรก็ให้นกสัติกาถือสารไปถวายนางที่ประสาทที่ประทับแล้วพระโคบุตรก็เข้าไปหานางอัมพันมาลาท้าววิหฤาราชสังเกตเห็นความผิดปกติจึงสั่งให้เสนาทําพระแท่นบรรทมที่มียักษ์พยน มาประทานแก่นางอมพันมาลาเพื่อคอยจับผู้ที่ลอบเข้ามาในประสาทแต่พระธรรมรงค์และพระสังวารประดับกายช่วยป้องกันพระโคบุตรจึงพานางอัมพันมาลาพร้อมด้วยพระอรุณแล้วก็นกสา ร, ริกาเหาะกลับเมืองพราราณสีคือพากนันหนีไปเลยนะคะเมื่อพระโคบุตรเดินทางมาถึงก็ได้พบนางมณีสาครซึ่งตอนนี้ก็โตแล้วมีพระศิริโฉมงดงาม เป็นสาวแรกรุ่นก็มีจิตปฏิพัสนเสนหาจึงทูลเท้าพรหมทัตว่าจะอภิเศกกับนางมณีสาครที่ทรงยกให้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าขอให้เป็นมเหสีฝ่ายขวาส่วนนางอัมพันมาลาที่พามาด้วยก็จะขอให้แต่งด้วยแต่ยกให้เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายเท้าพรหมทัตจึงกำหนดพิธีอภิเศกสมรสพระโคบุตรกับนางทั้งสอง เมื่อพระทิสทรงทราบจึงมาช่วยสร้างเมืองเนรมิตให้แก่พระโคบุตรนามว่าปราการบันพศแล้วก็จัดการอภิเสกให้นะคะแล้วพระโคบุตรก็คลองเมืองต่อมาจนมีเมืองขึ้นเป็นจำนวนมากฝ่ายนางอัมพันมาลาก็สงคันหรือตั้งท้องแล้วก็น้อยพระไทยที่พระโคบุตรไปปรดปรานแต่นางมณีสาครนก็เลยให้สาวใช้คนสนิทไปหาเถนกระอ่า ทำสเสน่ห์เล่กลให้พระโคบุตรหลงนางมณีสาครจึงวานนกศาลิกาให้ถือสารไปบอกพระอรุณให้มาช่วยพระอรุณจึงยกทัพมากับยักษ์สี่ตนแล้วก็จับสเสน่ห์ของเถนกระอํมได้สำเร็จเมื่อพระโคบุตรทรงทราบความก็พิโรธมากจึงสั่งประหารนางอมพันมาราพร้อมกับเถนกระอํมและสาวใช้พระอรุณทูลขอให้ยกโทษประหาร นางอัมพันธ์มาลาไว้แต่เนรเทศนางออกไปจากเมืองนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นนิทานคํากรรเรื่องโคบุตรค่ะฟังแล้วก็มีความสุขแต่ก็เหมือนกันยังไม่จบหรือจะจบคะคุณผู้ฟังที่กระลบลองวิเคราะห์ดูสิคะก็นางร้ายไปจากเมืองแล้วคิดต่อเองก็ได้กระหังคะว่าพระโคบุตรก็คงจะอยู่กับนางมณีสาคร อ, อยากมีความสุขสืบไปเน่หรือ มันมีอะไรเข้ามาอีกนี่แหละค่ะคือจุดที่ยังหาไม่เจอแต่ถ้าท่านใดทราบนะคะว่าอ๋อเคยเรียนมาเคยค้นคว้ามามันจบอย่างนี้อย่างนี้นะคุณพนอส่งข่าวมาที่สถานีวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีถนนวิภาวดีรังสิตด้วยนะคะจะได้ช่วยชีวิตวัฒนธรรมให้เติมเต็มสิ่งที่เรากำลังสงสัยกันอยู่แล้วเรื่องราวของครบุต นิทานคำกรอนของท่านสุนทนภู้มายาวนานเลยนะคะวันนั้นก็มีผู้คนไปร่วมงานเต็มห้องประชุมเลยค่ะมีทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะเจ้าหนูน้อยตัวเล็กๆอนุบาลคุณครูก็พามาแต่ว่าก็สงสารพวกหนูๆเหล่านี้เหมือนกันละค่ะการแสดงเริ่มที่บ่ายโมงแล้วจบที่สี่โมงยน เด็กๆ ก, ก็สมาธิห่างหายไปเยอะนะคะแต่ผู้ใหญ่หัวเราะกันแล้วเด็กๆค่ะพอนักแสดงของกลุ่มศิลปกรเล่นบทตลกพูดจาท่าทางโอ้ยหัวเราะกันสนุกสนานนะคะนี่คือเรื่องราวของการแสดงสักระวัดนกรรับที่หอสมุดแห่งชาติเมื่อวันพุธที่26มิถุนายนวันสุนทรภู่ที่ผ่านมาค่ะ คุณสังที่เคารพคะฟังดิฉันพูดยาวมากเลยนะคะฟังเพลงเพราะๆจากคุณบิ๊กอีกสักเพลงค่ะเดี๋ยวมาเข้าสู่ช่วงทุ่ท้ายของรายการเช้านี้นะคะเลินหน้าเพลินใจเลี้ยวมองทางไหนชื่นใจสุขซ้ำราญ เลินราตรีการแสงจาน อ, อนหวานถึงสับสานวิญญาเลินพิจันราจันเทนเดมป้าจังเย็นตาโนมป้าชื่นบานเลินฟังกลางวานเชียงประสานวินเวรายเลืนยิ้มเลืนฟังใครรอ รถนังบรนเลงเพลงสวรรค์เลินเพลงรำพันเสียงลิงลีดน้นเหมือนมันลอดคูใจเลินเพิ่มหรือไทยเลินเติดอยู่ในวงอารมณ์ของความฝันชืนเลินมนทางคืนแทนตำเริงหรือนาร์ เป็นที่ด่งบานเลินในดวงมานพรอมเลิ่นสาทานเส้นยินตาลสายลมเลินพิบเลินทุ่มาลีชื่นชมเมื่อดอมดมพิรมซึ้งสวงเลินหนาวลอยดวงเห็นแว บ, บเดียวก็ร่วงลงมาเล ส ง, าาาง้เพลินเพลิมรำพันแม่นีผู่วนันทองราตรีนี้คงสมคาเพลินในวิญญาเลินโอราตรีหน้าเพลินใจศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม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 การันตีคุณภาพเชิญที่วิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรีให้บริการทรงเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เส้นผมผิวหน้าผิวกายมือและเท้าด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันที่นี่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรองรับการให้บริการ2 ส, สาขาสาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บรุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 งามวิไลเหมือนดังถิ่นแดนสว่าง เช้านี้นทําอะไรรับประทานเอ่ยหลายท่านนะคะฟังไปกําลังทํากับข้าวไปหลายท่านกําลังจะเตรียมไปซื้ออาหารถวายพระไปตักบาตรจะทําเองหรือจะซื้อก็ได้ทั้งนั้นแหละนะคะแล้วแต่ความสะดวกกับความพร้อมของแต่ละครอบครัวแต่ดิฉนันน่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังมีความสุขกับการทํากับข้าวเองเพราะว่าเราติดมาตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะ ทำกับข้าวหุงข้าวอุ้ยสมัยก่อนหุงข้าวเช่นน้ำติดเตาถ่านกวา่าจะตินโอ้โหยิ่งหน้าฝนแบบนี้คุณฝังี่เคารบเชื้อฟืนเชื้อไฟมันชื้นมันเปียกนะคะแต่ว่าตาดิฉันก็จะรอบครอบให้ขนทุกอย่างเข้าครัวให้หมดมีภาชนะแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องไปตรวจดูว่ากรับมะพาวเศษไม้เชื้อฟืนเชื้อไฟถ่านพร้อมที่จะหุงข้าวไหมแล้วก็ข้าวปลาอาหาร เตรียมพร้อมไหมสมัยก่อนตู้เย็นก็ไม่มีนะซื้ออาหารสดมาแล้วนี่ต้องรวนผักซื้อเก็บไว้เลยหลยัยงไม่ได้เชามือดอย่างนี้ใกล้ๆจะตีห้าเนี่ยควันก็จะเริ่มลอยกลุ่นจากเตาครัวแต่ละบ้านกลิ่นหอมของควันไฟปลุกสมาชิกหลายบ้านให้ตื่นได้ดิฉันเนี่ยตื่นพร้อมๆกับควันไฟและกลิ่นของถั่วเขียวซึ่งตา ก, กับยายเนี่ยค่ะ จะหุงถั่วเขียวที่แช่น้ำค้างคืนมาแล้วหนึ่งคืนพร้อมที่จะทำเต้าส่วนขายในตอนเช้าแล้วก็จะมีสาคูน้ำเชื่อมมีวุ้นน้ำเชื่อมมีอะไรนะคะเขาเรียกข้าวเหนียวถั่วดำอ่ะแต่ตากยายาดิฉันนี่จะทำเต้าส่วนอร่อยมากเด็กๆรู้จักเต้าส่วนไม่ลูกเต้าส่วนก็คือขนมหวานที่เป็นลักษณะของการ เหมือนกับเหนียวเหนียวมีแป้งเหนียวเหนียวแล้วก็จะมีเมล็ดถั่วซีกเดียวที่เป็นถั่วเขียวกระท้อเปลือกแต่หลายคนไปเรียกถั่วทองหรือบางคนเพี้ยนไปเรียกถั่วเหลืองก็มีมันคือถั่วเขียวนะคะก็นั่นแหละค่ะ ก็วิธีทำมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคดีๆ ด, ดีนะาจำแม่นเลยตากระยายก็จะแช่ถั่วเขียวค้างคืนไว้พอเช้าขึ้นมาก็สางขึ้นจากน้ำแล้วก็ใส่ซึ้งนึ่งจนสุกหอมตลบไปทางบ้านและดิฉันก็มักจะชอบกินถั่วเขียวที่นึ่งร้อนๆ อ, อุ่นๆมันหอมมันๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็าจะเอาแป้งอะค่ะมาทำไอ้ตัวที่เหนียวๆอันนั้น แล้วก็เอาถั่วโรยลงไปใส่น้ำตาลพอกวนได้เข้าที่ยันเหนียวหนืดมากแล้วอย่าใส่จวงจริงนะคะหลังจากนั้นก็จะมีหัวกะทิเค็มๆกราดนั่นแหละเต้าส่วนเนาะบางทีเดี๋ยวนี้เขาจะใส่เม็ดบัวด้วยบางคนก็จะใส่แปะกล้วยด้วยอา้าวเริ่มบูรณาการนี่แหละคะ่ะชีวิตวัฒนธรรมจริงๆเลยเดนก็จะเห็นในซอยตรงตลาดสายหยุดแถวดินแดงเขาก็จะไม่ใช่เต้าส่วนแบบตั้งเดิมและ จะใส่เม็ดบัวจะใส่แตกกลวยที่ดิฉันว่านี่แหละเพิ่มมูลค่คาแล้วก็ทำให้ชวนกินขึ้นอีกเยอะเลยคุณฝั่งเช้านี้ทำอะไรกินเอ่ยถ้าไม่มีอะไรไข่เจียวร้อนๆกินกับข้าวสวยก็อร่อยมากนะคะแต่ผักน้าพริกเป็นของโปรดโดยเฉพาะใข่ที่อยากไปใส่บาทเชาาท้านี้ก็พระท่านพูดไม่ได้ว่าท่านชอบหรือไม่ชอบ ฉันได้หรือฉันไม่ได้ดังนั้นก็มีข้อคิดจากกระทรวงสาธารณสุขบอกเรามาเรื่อยๆว่าหลายคนก็จะสรรหาของที่ดีที่สุดไปถวายพระแล้วของเหล่านั้นก็มักจะไม่ใช่ของพื้นพื้นเป็นของที่อูมีกะทิมีแกงที่มันดูดีดูดีสังคมไทยคุนหวังที่เคารพเดี๋ยวจำแม่นเลยตอนเด็กๆไม่ว่าจะงานบุญงานบวชงานแต่งหรือแม้แต่งงาน มีของที่เป็นแกงกะทิหนึ่งอย่างจะต้องมีแกงส้มมีผักน้ําพริกแล้วก็จะมีผโลุนะคะมีหมี่กรอบมีอะไรหลายๆอย่างเพื่อสรรของที่ดีที่สุดสําหรับเลี้ยงพระและเลี้ยงแขกดังนั้นดิฉันก็จะเชิญชวนคุณผังว่าเมื่อจะเลือกของไปตักบาทหรือไปใส่บาตรถวายพระใช่ค่ะเราจะเลือกของที่ดีที่สุดแต่พยายามลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะ ท่านจะได้ไม่เป็นคอเลสเตอรอลไม่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่เป็นความดันด้วยเอาละค่ะตีห้าแล้วนะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไก่ขันแล้วนกจิบจิจก็มาแล้วคุณฝั่งหลายท่านจอดรถถึงที่หมายแล้วหลายท่านเพิ่งจะสตาร์ตรถออกเดินทางหลายท่านเพิ่งจะตื่นนอนไม่ว่าท่านจะอยู่ในกิจกรรมใดๆก็ตามนะคะเช้านี้ขอให้เป็น วันที่ดีที่สุดอีกวันหนึ่งเชา้านี้มีกำลังใจให้กันนะคะและยิ้มให้กันปลอดภัยด้วยกันนะคะดิฉันพรรณธนเนียมอินแต่การชีวิตวัฒนธรรมก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงนี้ คุณบิ๊กควบคุมเสียงและหาเพลงเพอพร้อมให้เราได้รับฟังดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาควบคุมรายการดิฉันพนธรรมเนียมอินดำเนินรายการกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะมีความสุขกันทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ s วิตช FM อฟแกหาวิทยุราชมงคลทัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร 02-691-7738-9 สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 สอบถามโทร02 592 1991